หลวงปู่หลาไปเสยพวกปันหมาปะหำอันนี้บมันคำหลวงพลอยเขาบอ้าปนหลวงพอยอินว่านมันหยาบปวดวไปหลวงปู่หลาบ่อนพอดีวนไปมันเห็ดหยังเห็ดหยังมันเฉยยเ่ยเมเฉยพวกปันหมาปะห่ำหลวงปู่หลาว่าเอาได้จำมาลืมมันไปแม่นอิลีเดินเอาไปไผ่ย่างไกยพระเห็ดหยั่งก็ะเสยมันเอาไปหมามันเอาไปอันนี้คือกัน พวกกูบาทเลยสิบอกยิ่งเยเเรื่องกันเชยอะไรแบบบาทฮามีเรื่องเกิดมาเนี่ยคอยกันโดดมากอะไรเพืนึงไปหมุนปุ่มใส่พูนึงไปหมุนปุ่มขวาบาเนียเออพืนึงไปกดพืนึง่นึงไปกดตัวเองเอาไดตแหงมิดไปเลยบาเนียจดมมีเสียงมือว่านเอาไพอลงพอลงจากสไลดพผมภาคันมาเบิ่งอีกมากมือว่านเอากดยังไง้มันยังบดหังไปเท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 เพ ว, ว่าออกพัรษามาเกือบเดือนเลยเนี่ยฝนก็มาตกอีกเขว่าฝนที่ล้างหางประทีบฝนที่ตกวันล้างหางปฏิบนี้เพราะว่าฝนผิดปกติหรือฝนดีนะปีนั้นแต่ของเราในะกลางพรรษานะมันไม่ตกเลยมันตกน้อยมากแล้วมันมาตกในช่วงนี้หลวงพ่อเป็นห่วงเหลือเกิน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 อำเภอเพนที่ไปชมเพงพ่อของท่านนะั่นหละหลวงพ่อของท่านหลวงพ่อของท่านกระบวดก่อนบวชมาถึง 41,000 ษาอายุ86ปีบวชกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ท่านสิ้นพระชนที่วัดประวรเพราะว่าท่านเป็นคนเมืองการท่านรัตนะนี่พ่อแม่ของท่านรัตนะนี่กาญจน บ, บุรีกับลูกพี่พีน้องๆของ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 ใช้เงินไปยังไงผิดประเภทหรือยังไงหายเงียบไปได้มาแล้วนะถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังก็เหมือนลวงพ่อขี้อวดทำไปแล้วก็อวดนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ อ, อคล้ายๆว่าบอกกล่าวให้ในความชื่อตรงเนี่ในะความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะจตุ ป, ปัจจัยที่ได้มาในวัดพระในวัดก็มีส่วนร่วม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 ขึ้นมารวบรวมกันม า, าก็ได้เงินมากพอสมควรเจ 0,000 กว่าบาทบ้างในเครือญาติของท่านาจากนั้นของเราอีกวันนั้นเราเปิดบัญชีเข้าไปก็มีของปอห้าห0ื่นของคุณปียวันห้า 0,000 ืนของเราเปิดบัญชีที่อำเภอเพเ่นเผื่อบัญชีของวัดนั่น เ, เงินเข้าบัญชีในวันนั้นก่ที่หลวงพ่อเปิดดูๆแล้วก่นั่นแหะแสนสอง 0,000 ห้าหมื่นกว่า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 มันก็ต้องกว้างกว่าหนึ่งกึ่งกล่องมันกว่าตัดตลางเมตรนะแล้วก็ห้องน้ำอีกสี<ม>่ร้อยกว่านะที่เราหม้บไผ่นะแล้วก็เงินจตุปจัยเมื่อวานวันก่อนที่เราออกมาเราเห็นว่าโอ้ใช้ใจ่ายไปล้หนาไปมากหลวงพ่อก็ได้หมออให้อีกสามแสนมออให้กับตึกหนีไฟนยะแต่ก็ถามว่าจะได้ใช้เงินเท่าไหร่ประมาณสองล้าน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 แต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ให้พวกเราถอยลุงพ่ออินเหมือนลุงพ่ออินถวายลุงตาอย่างนั้นไม่ใช่นะพวกเราต้องเป็นดุลชนิดของพวกท่านถ้าพวกเราท่านทั้งหลายออกมาอย่งไรลุงพ่อจัดการอย่างนั้นเจดีนะครับหลุงพ่อเออเอาเข้าเจดีเครื่องมือแพทย์นะครับลุงพ่อเออเอาเข้าเครื่องมือแพทย์บํารุงพระสงฆ์สัมมเนเนเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าสถานีวิทยุในวัดนะลุงพ่อเออเอาเอาเอาข้าจุดนี้ หลวงพ่อจะแบ่งจะตุปใจไปตามประสงค์ของศรัทธาญาติโยมเนี่ยนหะลวงพ่อทำอย่างนั้นแต่สำหรับหลวงพ่อเองถงหลวงพ่อถวายลงตาหนะลวงพ่อจะพูดอย่างนี้ถาวายลงตาตามใช้ตามอัตยาศัยเผื่อว่าท่านมีเรื่องอะไรที่ท่านหนักใจยอยู่ก็ท่านก็จะเอามาใช้ในจุดนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ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 ไม่มีที่นอนเลยมีแต่อาสนะหลวงปู่พักยังไงนอนยังไงครับหลวงปู่เออพระ เ, ออเรานอนติดภพติดชาติมาพอแรงแล้วมานอนนอนจมนอนใจนอนอยู่ในภพในชาติไปลรูกกี่กี่ภพกี่ชาติจะไป น, นอนอะไรมากมายมันอยากจะนอนที่ไหนมันลบเด้มันก็หลับหลับแล้วก็แล้วตื่นขึ้นมาเฟื้นมากระนั่งภาวนาต่อ อ, อ, อีกจะไป น, นอนอะไร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 วัดรวยไม่ปังมันมีลิ้นนะตัวเล็กๆเนะแต่ว่ามันกัดคานมันโดยมากมันจะชอบกัดหูนะกัดหูกัดทางหัวคนนะอ่ะตัวเล็กๆนะถ้าใช้จุดใส่ ช, ชุดตัวนี้ลิ้นนี่กลัวมากนี่แหละท่านก็ไปนั่งภาวนาทุกวันถ้าวันในอากาศไม่ฝนไม่ตก น, ะนี่แหละแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานามาประพฤตินามาใช้ได้ทั้งนั้นแหละ ที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้สนทนาปารบกันต่างองค์ต่างอยู่แล้วก็ภาวนาต่างองค์ต่างภาวนาหลวงปู่หนูเขากับพเขาไปของท่านหลวงพ่อทำกิจวัตรเฉร็จหลวงพ่อไปภาวนาของหลวงพ่ออยู่กันสามองค์นั่นแหละปีนั้นน่ะที่ว่าหลวงพ่อได้รับความสงบทางด้านจิตใจ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 ถ้าคูบาอยากจะสึกก็หมดพาระที่พ่อแมท่ที่พ่อกับแม่บอกว่าให้บวชเป็นพระก่อนจะสึกก็ไม่ว่าแต่บัด น, นี้คูบาได้บวชมาได้ 2, 3, สองสมพันษาแล้วคูบาอยากจะสึกพ่อแม่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะตามอัทยาศัยครูบาอยากจะสึกก็ได้คูบ า, าจะอยู่ต่อก็ได้แต่พ่อแม่นะ่ก็อยากจะให้อยู่ต่อนั่นแนหะอนุโมทนาสาธุ